ยิ่งยากยิกย่งทนขอตั้งใจทุดจนสิ้นลมหายใจตื่นเพราะทุกใจยอมลุกจากนั้นลกความหลงไปขอบคุณความลังเค็นฝึกจิตเราบั น, น พร้อมเรือจะเหินไปสู่ทินฟ้าพุท ธ, ธาฝึกใจลหลักวางของกายใจที่พร้อมพลีสําสำคัญที่ใจจะเดินไป ลมไปอาความเศร้ามองทุกชีวิตส่ชีวิตชีวาสุขใสหันสู่ลูทางฝ้าคลามงด้วยใจไม่หวั่นพร้อมภัยตื่นพราะทุกใจยอมลุก รัโลกความลงไปขอบคุณความนำเข็นพึกจิเราบัด น, นี้เข้าใจห่างมืนลี้มีบุญนี้อยู่พร้อมเรือจะเหินไปสู่ทินยฟ้าพุท ธ, ธาฝุ่ใจละวางของ วันง ตื่นพระทุกได้ยอมลุกแต่รักโลกความลงไปขอคุณความลำเค็ญจิตเราบันนี้เข้าใจบางมือนี้มีบุญนี้อยู่พร้อมเรือจะเหินไป ร้องกายใจ